50 languages. 86 g s i x e n oral. Question. a d h r Two. Kale v e h c o l u m n i க a n d a l Kunpu neck tie. s e n a Ni y ் n d a k t i e คุณซื้อรถคันไหนแล้วนี่ยินดโมอเตอร์วันดีวางกินน้อยคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนนี่ยินดีเซดิจตรลึกสันโดกติน้อยคุณได้เห็นใครนี่งเกลยอริปอ์ทีรเกลคุณได้พบใคร คุณได้เจอใครที่รู้จักคุณตื่นนอนกี่โมงคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไร คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหรนิ่งันเย็ปูนทมุดิ่ีร์กันทำไมคุณถึงตื่นนอนนิงันเยนบิดที่คอนโีร์กันทำไมคุณถึงเป็นครูนิงันเยนออสรียร้นีร์กัทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ นิ่งกัลยังบอดกีวันดีเอื้อดตุ่งคนด க ள ்คุณมาจากไหนนิ่งกัลยังจีรั வந்தீர்கள் คุณไปไหนมาน்่งกัลยังกูீ ர ் க ள ்คุณไปอยู่ที่ไหนมานิ่ง எங்கு இருந்தீர்கள் คุณไปช่วยใครมา நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்தீர்கள் คุณเขียนถึงใคร நீங்கள் யாருக்கு எ ழ ு த ิ ன ீ ர ் க ள ்คุณตอบใครนิ่งกันอยากกูบั ள ி த ் த ீร் க ள ்